สิกขาบทที่9ภิกษุณีเที่ยวจาริกไปภายในพรรษาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังเดินไปต้องอาบัตทุกกฎเพราะพยายาม 2. เมื่อเดินไปแล้วต้องอาบัตปาจิตตี